ทา่าอื่นขก็อย่างที่ใครพูดมันมีท่ามันเบาๆสักท่านี่วะท่านไหนจะท่าหนักเพราะนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็แบบเดียวกันหนักแบบเดียวกันหมดโอ้ขวากเดินจงกรมก็ฟ้านแต่ฉันหันแล้วมันปักป่านฟังยิ่งไม่หนักได้ไง นั่งส ม, ธรรมาธิธรรมดาธรรมธรรมดานกลางคืนนี้อย่างน้อยสามชั่วโมงนั้นไม่ค่อยมีละสามชั่วโมงส่วนมากมันมักจะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกลางคืนออืธรรมดานี่หมายถึงธรรมดาบางทีก็หกชั่วโมงนนััน ม, มอันนี้มันเป็นธรรมดานะ ทั้สีชั่วโมงนี้ถือเป็นธรรมดาของกากรภาวนาสี่ชั่วโมงนี้มากที่สุดสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงรู้สึกจะสับกันไปหกชั่วโมงมีน้อยสามชั่วโมงนี้มีน้อยมากสำหรกลางคืนนะกลางวันเราไม่นั่งมากเพราะมันหูแจงตาสว่างมันเดินดี มักจะเดินกลางวันมากพอเรียนนั่งยิงไม่นั่งหมากกลางคืนถ้ายิ่งหน้าหนาวไแล้วก็ยิ่งหนักการนั่งม่มันเคยกินแล้วเพียงสี่ห้าชั่วโมงมันไม่รู้สึกนะมันธรรมดาไม่ได้สนใจว่ามันเจ็บมันปวดที่ไหนหกชั่วโมงย่องไปแล้วนะ เริ่มเจตนาเริ่มนะ ม, ม, มันก็เป็นเวลาออกจากที่เนี่ยมันก็เจตนานี่ก็เริ่มะเริ่มรู้สึกว่ามันันแสดงเรื่องความเพียรเปลีย่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นรางกายขงเรามันต้องบอกช้าเรื่องความเพียรมันหนักครูกด้าน ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะจะนั่งไม่ว่าจะกุฏอาหารสามอย่างนี้เด่นมากนั่งกับบติอาหารนี้เด่นมากเดินยังไม่เด่นเพราะมันยังเดินมันไม่รู้สึกว่าเป็นความต้องฝืนกันเพราะความทุกข์มากได้ฝืนกันเพราะการเดินเนี้ยไม่ค่อยมีมากนัก เหมือนกันนั่งตลอดลุ้งและการดอาหารทัอ้งอย่างนี้ดิบนะการ น, น, นั้นมาแล้วกับซุดเรื่อยๆด้วยบาข้าย่างกับบรรดาที่เจ็บอันนี้หยุดแล้วนั่นเองหยุดอดาหารานั่นนอกจากเห็นว่าท่าทันไม่ค่อยดีก็ไม่ฉันเฉยธรรมดาแต่ไม่ใช่แสบปวดอะไร เป็นวันสองวันเนี่ยเราแก้กดไม่มแขนี่เฉยเพราะธาตันไม่ดีแต่ก่อนอมันเอางนไปเรื่อยมาทุกวันทางเท้ารู้สึกว่าดีขึ้นมันคันอยู่เรื่อยจาเนีย ถอนขนตายแล้วทำให้ท่านันอยู่เรื่อยเลยนี่มันลำคาญมันคันสี่ห้า น, นี่เดี๋ยีทั้งออกมาจังเทียมสามเดอนออกมาแล้วไม่ได้เทียดศาสนาวรการแต่ก่อนเคยมีเมื่อไหร่มาดูเอาในภาษาตั้งภาษาแล้วมันเทิกันค น, นเดียวนะั่น ก่อนก็ไม่เคยมีมก็มีแล้วอันดัวด้วยขันแม่นหน่อยพื้นอะไรกันไปปกติมันก็พื้นกันอยู่แล้วนี่เทดีก็ยิ่งพื้นดีผู้คนพลาดเองก็ยิ่งมากเป็นมากเลยดูที่ทั้งด้านทุนจนจะมีที่อยู่นั่นน่ะมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามา มันไม่หยอกเล่นเขาอะไรอดูออกมานี่มองเห็นคนนี่หลบหนีทันทีขนาดนั้นนะมันละอามันออกขนาดนั้นละอาขนาดนี้มันไม่ได้เล่นเขาอะไรวินทบาก็ลุมตามน่ะนี่ล้ำคานไปทุกด้านนี่นะตัว น, นี้ไปคนเดียวไม้ได้คนเดียวนะแอบเดินการมันนวิ่งตามจะคุยนั่นคุยนี่ไหมเวลามาขอเดินตามมา ไล่เป็นรถก็ไม่ยอมคุยตายหรือป้ายอะมีนจะเดินภานาไปอย่างนั้นว่านีนู่นฟังก็แอ บ, บเดินตามแล้วไม่คุยเพราะเราไม่คุยด้วยสิคุยอะไรก็เราเราก็ไม่คุยด้วยก็เดินแอ บ, บตามมาจัิ้มมาตามหลังไฟล่าคาญนั่นแหละจะทําไงความรู้สึกที่ิานะของกิตมันต่างกันเรื่องของจิตต่างกันเราก็ปล่อย มา้าแลองนั่นเอคุยนะั่นเดี๋ยวคุยหนึ่ถ้ามันไม่จะคุยแล้วก็พังมันก็ทําให้ฝืนกันอยู่นั่นแหละไปคนเดียวแล้วไม่ได้หนึ่งเนเรื่องของเราเต็มหัวใจใครจะมารู้เรื่องหรืเรื่องของเราเดินไปเดินไปนยุ่งกับอะไรกับเรื่องโลกเรื่องของศารอะไรมีแต่เรื่องของธรรม ที่เกี่ยวเขาโลกเรื่องเขาทที่เกี่ยวกับโลกนั้ททนนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับโลกแบบยิย่งเล่นแลากพอไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เราทเกี่ยวเขาโลกเนี่ยว่าโลกก็โลกเกี่ยวกขาทำเป็น่าั้นไม่ใช่โลกล้ ว, วนๆแบบที่เคยเป็นการพิจารณาก็อย่างนั้นนีงลำคาญที่ผมทนนั่นนั้นทนอยู่กับหมูกับวน กับใครก็ตามผมทนมเฉยแม่นั่นผมหนีไปแล้วนะนิสัยอนี้เราพูดอะไรจริงๆนะไม่ยุ่งกับใครมาแต่ไหนแต่ไรในยิ่งตอนความเพียรแล้วใครไปยุ่งไม่ได้เลยดูอ ด, ด, ดูคนเดียวนะดูกับใครไม่ได้ฟังอะไรเองพนไที่ไหนก็ฮะพันหมูห่บ้านนะสี่ห้าหกร้างการเรือนเ น, น่เพื่อว่าให้ยุ่ง ไม่ยุ่งกับใครกินไปวันหนึ่งพอได้ยังชีวิตถ้าเดินไปพวกองเกียนพวกของเกียนต่นนั้นนี่มันยิงนับวันมากเลุ้มลุมลุ้ ม, มหมามนี้ทำไมถาคันลองนี้อ่อนตัวแล้วไม่อ่อตัวทั้งทีคำว่ากินเป็นทุกข์ เคยมีเมื่อไหร่ใครใครพูดขึ้นมามีอยัางอื่นเป็นทุกอย่างที่กั้งไว้าตรีปีกขาชาปีขาม่นำปกขังนี่หมออาญาสัจจังเป็นอาญาสัจนะเยังเป็นทั้งในท่าทั้งเราใจทั้งเรากีนี่มันมันก็รู้วันสิเช่นอย่างกานกินเป็นทุกข์นี่ก็ยังพูดอีกนั่น การกินไมตั้งตั้งท่าสู้แล้วท่านีา้การกินเป็นสุขโลกทั้งหลายถือเป็นสุขไม่ถือเป็นทุกข์อันนีน้เป็นขึ้นมาต่อหน้าต่ตาเรู้กันนูเต็มหัวใจจะไม่พูดได้กินเป็นทุกข์อ๋อฟันจุดกันลงไม่ได้ มันก็ะลัรนหนุกปากหนิเวลามันเป็นฟังตรงนี้อยู่ปกติมันก็ปวดของมันยิ่งเอาอาหารเข้าไปใส่ให้บดให้เคี้ยวเราไปใหญ่เลยมันเป็นทุกข์อีกทุกข์แต่เห็นนัมนกมวยผัวชนะนปีทุกขังเลยผัชนะก็แปลว่าการฉัน ภูณฑิตไปเป็นกิริยาไปแล้ว ย, นนย่อมฉันโพชนาโปลว่าการขัง น, นี่มันเป็นธาตุเป็นนิพัตติใจอะไรทำไมมันจะไม่รู้เยื่อมาทําไมมหานะ่ะเนี่ยฟังทีม่มหาลโลงฟังนะสมหาโดยการพูดกับมันด้วยกังเพรนโพชนามปีตุขงังแม้การควบฉันก็เป็นทุกนะโพชนาโพชนา แยกธาตุกับผู้จะธาตุการกินเนี่ยอายุเป็นอ น, น, น้าหนาหนล้นเป็นโพชนะเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรมันก็ลูกก็จะทำปัจจัยธาตุของมันปัจจัยของมันเขาจะไปแยกสับแยกแสงอย่างแบบเป็นนอนแทะกระดาษมาทมมันจะแปรแยกไม่ได้หรอแต่วันที่เลียมันไม่อยู่กับธาตุ มีพัดปัดใ จ, จที่มันอยู่กับหัวใจคนเพราะยืมมาฟาดหัวใจนี่ที่เขาแปลงสือเพีย้ยนไปเนาะคนนั้นก็แน้นนอนแทะกระดาษมันกับทันทีมันโกงกกระดาษแทะอายุกระดาษแล้วที่ตัวไหนมันหลุดไปมีไหมถ้าแทะแลงไปหัวใจนี่กิเลสหลุดพังได้เนี่ยแลเพื่อจะแทะกิเลีสยม่ใช่แตะเพื่อจะเป็นนอนแทะกระดาษไหนพูดแล้วแต่ผมไม่ เรียนนะเขาบอกผมมันบ้าหรือว่าพูดทำมันเต็มเยอะลือมันเกิดมาจากโคตรพอโคตรแม่ไม่เคยเรียนนังสือมันจะไปรู้เรื่องอะไรอ่างนั้นก็แปรปาปลาโลกไปงั้นนะเขาก็จะว่างั้นนี่นะแต่นี่มันคำว่ามหาแล้วมันจะว่างในวงมหากัทเทียนกันหมดมันเป็นวงของก้นแนบแปรธาตุวิพัฒน์ตัดไจอยู่ในนี้หมดแต่แปรอะไรกับครูพิจิาไม่ได้สอนให้งง ทำยังไงมันกิเลสมันจะหลุดจะลอยแนย่แปรแบบนอนแทากระดาษมันหลุดรอยไหมเราก็เคยแปรมาแล้วไม่เห็นกิเลสหลุดรอยตั้ตัวนี่อันนี้แปลแบบแบบไหนยอยีกสิกนึงกิเลสมันร้อนตัวมันหลุดมันลอยว่าแปรอย่างนี้ฟาดเขาถึงตัวมันถึงตัวมันเลยผมอแม่กาญแจมั่นนะแต่มแม่เราก็ดีหนึ่งนะที่จะไปตําหนิท่านตั้งนิดหนึ่งไม่หนีท่านแปรหรือแปลอย่างที่ผมแปรนี่ ไม่ใช่ผมอา่านเออเอื้อมนะคือผมฟังเรื่องท่านมาก่อนมันก็ยอมรับมาเลยแม้ท่านแปยแต่มันจะตรงวานักหนาท่านแปรแทนที่จะเป็นไปตามงั้นถ้าไม่ไปถ้าฝึกเข้าไปดีเลยนะั่นแม้ท่านแปรตรงตัวจริงนี่เวลาภาคปฏิบัติของเราได้เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมันก็เข้าจุดนั้นจุดนั่นจะหั้แปรไปไหนโอเคเดี๋ยวจุดนั่นคว้ากันไปตรงนั้นที ท่าศึกษาตรงนั้นเรฟาดกันไปตรงนั้นนั่นดึงสัพท์ดึงแสงดึงท่าดีท่ า, าแต่ใจมันก็เป็นเรื่องของสมมติอันนึงเ <c oughs> ท่านั้นเองที่โลกทั้งหลายใช้กันมันผิดอะไรกับโลกเขาใช้กันถึงจะเป็นธรรมก็ตามธรรมก็ชื่อว่าธรรมไม่ใช่ไม่จะเข้าถึงธรรมก็เป็นธรรมได้นิเลสมันได้เขาหลอกต อ, อ, อกแปลย่งนนั้นก็คือแปลตามความรู้สึกมันเข้าถึงกิเลสแล้วนั่นถอดออกความรู้สึกมาเป็นคําพูดของงาน พ่อแม่อาจ า, ารว่เาอสักการพุสังนันติปลาตายปลางูตายก็เหยื่อลอตรงนี้สักการะพุสังนันติปลาตัวงูมันตายก็ะเหยเื่อลออันะนฟังี่สันแ่แล้วค้านแน่จริตรงไหนปลาตัวงูน่นตัวมันไปกินเบ็ดเขานนเหนัเหยื่อเหยื่อล่ออยู่ปลาเบ็ดนั่นอนี้สักกโรพุสังนันติสกัาาสกการก็ระสักการะ ถ้าโง่มันก็ไปติดเห็นแก่ราษสักการะบูชาเห็นแก่วความเคารพนับถือนั่นปลาตัวโง่พระโอ้โง่ความหมายสันะ้นว่าสักการปุริสังหันติสักการะย่อมฆ่าบูดผูโง่เขาอย่างปุริสังฆ่าบูษนั่นนะบูษจะดีิ่าทั้งนั้นอน่ะที่เรีนไม่ไหวหน้าใครลนะสักการสักการูนั่นอนะ่ะคื อ, อย่อรอบปลาถ้าเรางโง่นะ ถ้าเราไม่โง่สักการะก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยกระไรกับงั้นได้ยังแปลเพื่อข่ากิเลส น, นี่สักการะจะแปลว่าอะไรไม่แปลว่าปัจจัยสี่เครื่องสักการบูชาที่เข้ามาถวายด้วยความกินดีเริ่มใสของเขาแต่มันปุยสังหันตีเพราะพระเราที่โง่เห็นเจร่าสักการบูชา ดีกว่าอันกว่าทำเขเท่ากับเห็นที่ดีกว่าไส้นัดฟังดิที่มันดียังไงมาทำไมจึงไปยกว่ามันดีกว่าไส้สารค้าบูชาดียังไงถึงไงไปยกมันเหยียบย่ําดีกว่าอันกว่าทำไปลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะราบสารค้าบูชานั่นอะปุสังหันติอืมมันฆ่าเนี่หันติหันตินี่ก็ฟังดิธรรมะนะลุงปุสังหันติปุริ สักการะมันมันก็เป็นเอกภพเอกวจนะและ้วมันเป็นอะไรเสมอหันติได้ น, น่คนจะไปแยกเป็ น, เ ป, นเป็นกิริยาก็จะว่าอันติมีพัดแต่สิแต่ข้าจริงมันเป็นติไม่ใช่อันติติอันติมีสามีมา่าน หันติน่าจะแปลตามเสาอะหันติไม่ใช่หันติแต่นี่แยกออกไปเป็นตามคําฉันก็เลยหันติปุริสังหันติเหมือนกับเป็นกิริยาอะไรพวกหูพสต์หรอกิยาขยะความจริงมันเป็นปุริสังหันติใช่เหมาะสมกับทางอไอ คำฉันคำอะไรนั Maggie, right, mine, captures, better, leash, ่บอหันติไม่ได้ว่าหานติเสียสัปตารูพูซ้มหันติมูรุพระนําโง่สักก็ละเยียบหัวมันเด็ก่นก็ว่างั้น้มันก็ถึงกิเลสสิกิเลไม่เยี่ยบหัวคนมันไม่ถึงมันได้ไงก็แปรก็ประจงนั้นยิ่งว่าพรแม่ครูจันแปรนี่แหมว่างั้นเัยนะท่านแปรตรงตัวตรงตัวเลย ในตอน ท, ท่เรายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะแต่ก็ยอมรับอย่างเวลามาเข้าภาคปัจจุบันเป็นขึ้นมาในะหัวใจนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ไปหาลู่หาคำแล้วไอ้เงาเหมือนฟาดหาตัวมันเลยตัวมันก็คือกิเลสนะมันเอาเงาหลอกเอาไว้เราก็ไปตะคุ้เงาอย่างนี้ไม่โง่ไปตะคุ้ใหม่ตะคุ้เงากิเลสฟาดของกิเลสมันเลย หลักษาเราเรียนมาครับถ้ามันมีภาพปฏิบัติเข้าไปกลมกลืนหรือเข้าไปแสงว่า ม, มันไม่ในเรื่องอะไรแล้วพิษก็ได้กับโลกเขาเรียนวิชาโลกเขาอะไรแล้วเขาจาหน้าแต่มันไม่ไปไม่ใช่ภาพปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์เรียนแบบเปประกาศที่แบบข้ามโลกการสื่อสารมาจนหลังหักบุญแล้ว ไ, ไม่ทำมันจะเป็นภาพปฏิบัติได้ยังไง ท่านบอกให้ทําเราไม่ทำท่านบอกให้ลากมาลาบอกให้ทำํำมาทํานั่นคือความปฏิบัติเล้ที่นี่ก็เห็นผลไปเรื่นี่มันนี่แต่ลาดศึกษาเราเดียวนันเรืออารมณเอาแรงมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นมรกผลนิพพานนั่นเองอย่างเงี้ยไม่ยิ่งเรียนม่พลาดหัวผลนี่นี่ก็เป็นยิ่ง เ, เรียนมาแล้ว ถือเอาเพียงความจำมาปรมาณมาเป็นตัวมรกรุ่นเป็นสมบัติของตัวแล้วว่าตัวเรียนได้รู้ได้เด็กมันก็ยังเรียนได้หรเ่าเรียนชื่อบาตชื่อบุญชื่อนระกสวรรค์นิพพานอย่างนี้เรียนชื่อเนีเรียนก็ได้แต่ชื่อมันแต่ไม่ในตัวมันสิความร้อนมันอยู่ในใจมันราไม่บาตรมันร้อนได้นไะงบาตบุญความเย็นอยู่ใน ใ, นใจ ในโลกสวรรค์นานใครจะก้าไปถ้าเราไม่ก้าด้วยภาพการกระทำของเราการกระทำต้นนภาพปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นบอกไว้ชัดปริยตัติแม่บอกไว้ปริญาติรเรื่องกา ร, รเลี้ยงสาวเลี้ยงปฏิบัติาวเอรียนได้ให้ดำเนินกิจการางา น, น เป็นภาพปฏิบัติปฏิเวศความรู้ความเห็นคือเป็นผลก็จะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปฏิเวศความรู้แจ้งแทงตะลุสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยเมื่อภาพปฏิบัติสมบูรณ์เต็มที่แล้วผลก็เต็มที่มันบอกไว้ชัดทำสามประเพนี้แยกกันไม่ออกภาพตามหลักธรรมมุนียาวแต่ที่เรียนี้ มันไปแยกของมันเช่มันเป็นาศาสดราบนตหัวใจเราแทนาศาสดร า, าองค์เอื้อเยนเยียนเท่านี้ลพอแล้วไม่เยียนได้มากเลยนอก่าียงไรก็โออาแล้วว่าเจ้าของม่รูหลักนักปราลนั่นเห็นไม่ยี่นไม่เข้าไปแล้วไม่รู้นี่ความจำไม่ใช็ใครจะจำได้ถือเป็นสมบัติด้านนั้น เมื่องตัวรูตัวเหล็กนักป่าเป็นผลไปแล้วเพียงความจังภาพปฏิบัติยังไม่มีเลยเอาผลมาแล้วก่อนแล้วมีที่ไหนภาพปฏิบัติจะคือภาพเหตุแต่พิผลกับปฏิเวกเนะ่ยคือผลนี่ยังไม่มีภาพปฏิบัติเลยแล้วเขาผลมาได้จากไปย่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพียงความจังนะั่นเห็นไหมวิเดมันแทบหัวใจคน แปลนบ้านเรียนแปลนแบบกปลนแผนถังเรียนมามาทำแปลนนี้เท่าไหร่ก็ทำแต่ไม่สร้างบ้านนีนก็ไม่ถึงประโยชน์อย่างแปลนนั้นมันเต็มห้องนั่นก็เต็มแต่มันไม่เป็นบ้านแปนว่าไงสร้างบ้านขนาดไหนสูงต่ำกว้างแค่ขนาดไหนกี่ชั้นนั่นแปลนบอกไว้แล้วลทํำตามนั่นเลยนั่นเป็นข้อปฏิบัติ ทำเดีึ้มาก็เป็นบ้านเป็นเรือนนั่นเห็นนะนั่นเกี่ยวโยงกันอย่างนั้นเยืนแบบแปลนแนถังแล้วเยืนแบบแปถัองออกมาเนา ะ, ะที่ะสร้างบ้านตานี้จะสร้างอะไรอะไรประามให้ถูกตามแต่งนี่ก็เป็นผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งสร้างผลผลสมบูรณ์เกี่ยวทา ง, งด้านธรรมะก็เป็นปฏิเวษแล้วลนะ่ะ ติดเลค่ะให้คนุ่แจ่เจอเรย์ยังไ่าข้าไปเาะผมลาว่า